ชั่วโมงภาวนาชั่วโมงภาวนาภาวนาตอนเช้าเช้านี่ดีภาวนาตอนเช้าเช้านี่ดีอากาศดีสุขภาพ สดสาสดีอารมณ์ดีหิ้มเอิบส่งความรู้สึกมาที่ใจของเราหลับตานั่งภาวนาอยู่ในท่าที่สบายที่สุดอันนี้เป็นงานของเราเป็นงานที่ดูตัวเองสดส่องตัวเอง บางทีเรามีที่อยู่เรามีบ้านอยู่เราไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยไปทําความสะอาดบ้านของเราบ้านของเราสกปรกรอกครงรังจิตใจจิตใจสกปรกรอกกรุงรังแล้วแต่ตันหามันเอาขยะอะไรมาลุมาปโปรยให้กับหัวใจของเราสกปรกเลอะเทอะเปื้อนอ บางคนก็ทำความสกปรกตังใตเช้ามือเลยแหละบางคนน่ยทั้งๆที่เป็นโอกาสดีเป็นบรรยากาศดีแทนที่จะเป็นนบรรยากาศมาสักสารทำความสะอาดให้กับหัวใจของเราเราก็ให้ความสำคัญน้อยไปให้ความสำคัญเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเวลาเดินทางโดยเฉพาะในกรุงเทพเราเดินทางลำบาก ดูแต่รสมาวานเราออกมาจากดอนเมืองติดแล้วติดอีอยู่นั่นแหละเวลาอย่างอื่นเอาไปหมดเวลาสอดสอด่องดูใจิตใจตัวเองมีน้อยขาดสติคุณนชื่อว่าสติเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคุ้นชื่อว่าสติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยแหละเรานั่งภาวนาเราก็ต้องการสติเราเจริญสมถะ เราก็ต้องการสติเราเจริญปัญญาพิจารณาหรือวิปัสสนาก็ต้องการสติเดินจงกรมเดินยาวเดินสั้นเดินมากเดินน้อยก็ต้องการสติสติคืออาการของใจสติเกิดจากใจสติเกิดที่ใจ ใจของเราเองนั่นแหละมันถูกปลุกตัวเองให้ตื่นรู้โรคขึ้นมานั่นแนหะตัวสติระลึกได้ลึกได้เป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะท่านใช้คําว่าสติปแปล ว, ว่าระลึกได้ระลึกได้ว่าจิตเราเปลี่ยนแปลงแต่ละขณะเราระลึกได้นั่นะคือรู้ทันขณะจิตอ่า บางทีเราไม่ได้ระลึกเนี่ยเรารู้ไม่ได้นะจิตของเรานึกเลื่อยเปื่อยไปแต่สตินี้หนึ่งเราตั้งใจปลุกเราตั้งใจปลูเราตั้งใจตั้งตั้งใจปลุกตั้งใจปลูตั้งใจตั้งสติการที่เราตั้งอกตั้งใจตั้งนันมันเป็นการสร้างเหตุมันเป็นการลงมือสร้างเหตุ อย่าไปปล่อยให้ผลคือสติที่มันฉุกคิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาอย่างเดียวเอย่าเราอยู่ในท่าทีที่เรานั่งภาวนาเนี่ยเราตั้งใจที่จะดึงสติตัวนี้น่อปลุกสติตัวนี้น่อให้ตื่นกํากับจิตคือผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราถ้ามีสติกํากับน่ยเหมือนกับมีเจ้าของเหมือนกับจิตของเรานะ่ยมีเจ้าของเจ้าของคือสติ แท้ที่จริงสติก็เกิดจากจิตของเราหนาเละคือระลึกรู้ว่าจิตของเรานึกอะไรคิดอะไรปรุงอะไรรู้แม้กระทั่งขณะของจิตที่จะแสดงกิริยาให้ปรากฏขึ้นมาสติระลึกได้สติอีกอันหนึ่งก็คือนึกเองนึกได้เองคิดได้เองเมือ่อไหร่เราลืมของนะ่ยหรือลืมชื่อคนเนี่ยหรือลืมสิ่งลืมของเนี่ยไปไปแวบเดียวเนี่ย ทานถวารลึกได้สติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดเรื่องราวที่คิดที่ปรุงที่อะไรอะไระขนาด ก, ก่อนๆคราวก่อนๆระลึกได้เรื่องเก่าระลึกได้เรื่องใหม่ก็ระลึกได้ระลึกออกสมมติปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งคาอยู่ในหัวใจของเราเราก็จออยู่นะสักหน่อยหนึ่งโปรขึ้นมาอีก ไอ้ที่เราคิดมันคิดมันนึกมันออกขึ้นมาแต่เราปล่อยให้มันนึกคิดขึ้นมาเองมันก็มีธรรมชาติมันมันนึกมันคิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาเองก็มีสติไอ้ชนนี้เป็นตัวผลตัวผลสติก็คือระลึกอะไรระลึกความรู้สึกที่เราเคยผ่านผ่านมานั่นแหละบางทีมันก็ระลึกเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านในหัวใจของเรานี่มันก็เป็นเรื่องของสติ เราจะปล่อยให้สติเกิดขึ้นโดยผลอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจทาอันนี้ไม่ถูกเราตั้งใจนั่งภาวนาเราต้องใจสร้างสติท่าทีที่เราตั้งแล้วก็ปลุกสติหรือปลุกสติหรือตั้งสติขึ้นมาเนี่ยเราทำได้เหมือนอย่างเราตั้งเจตจำนงตั้งใจตั้งเจตนาเนี่ยนี่คือการตั้งใจสร้างสติ คือการตั้งใจทำสติเป็นการลงมือสร้างเหตุมันไม่ใช่เราไปรอคอยให้ดอกให้ผลมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้สร้างเองบางครั้งอารมณ์อารมณ์ที่ภาษ า, มาสมัยใหม่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาปั๊บเราึเราเระลึกได้โผล่ขึ้นมาปับ๊บเราระลึกได้ บางครั้งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งนั้นจะโผล่ขึ้นมาอันนี้บางครั้งมันก็เป็นหลักธรรมชาติของสติที่มันอยู่ๆมันก็นึกมันก็คิดซึ่งเป็นผลปรากฏแต่มันก็เป็นเรื่องที่คาดที่หมายที่เคยคาดเคยหมายเคยเดาไว้นั่นแหละนี่สติสติสามารถอยู่ในขณะปัจจุบันอยู่ในอะไรอยู่กากับใจใจอยู่กับอารมณ์อะไร รู้อยู่กับอารมณ์อันนั้นเราตั้งใจสร้างเหตุเหมือนกับเราตั้งใจสร้างเจตจํานงเจตนาเช่นอย่างเราต้องการให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะ่ยแล้วแต่เราจะว่าบางคนก็พ้องเนายุบเนอบางคนก็สมมารหังบางคนก็เอากิริยาของกายบางคนก็เอากิริยา ของเวทนาบางคนก็เอากิริยาของใจบางคนก็เอากิริยาของธรรมซึ่งเป็นธรรมะในหัวใจของเราลึกๆที่เรียกว่าอารมณ์กายเวทนาจิตธรรมนี่เอามาระ ล, ลึกอารมณ์เหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราเราจะเอาไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามแต่ก็คืออารมณ์ที่มันจะมาสัมผัสกับใจของเรา เราปลุกให้ตื่นรู้อยู่อะไรผ่านมาเราก็รู้หมดอะไรผ่านมาเราก็รู้หมดเพราะฉะนั้นการที่เราเอาธรรมะมากำกับที่ใจของเราต้องการให้ธรรมะอยู่ที่ใจของเราต้องการปลุกจิตของเราเอาสติมากำกับแล้วปลุกจิตเขาให้ตื่นรู้รู้อยู่ตลอดเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ที่เราควรจะทำมันเป็นการสร้างเหตุมันเป็นการสร้างเจตจำนงอยู่ให้มันเกิดขึ้นเองเกิดไม่ได้ เหมือนงานการทุกอย่างเราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้มันต้องสร้างขึ้นมามันต้องทําขึ้นมาอันนี้หมายถึง อ, อารมณ์ในหัวใจของเราอเหมือนอย่างสิ่งที่เป็นกินเลสมันดันมาถึง ห, หัวใจของเรานึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกอิจฉาทิษยาพยาบาทแหมมันหากมันนึกมันคิดมันปรุงตามหลักธรรมชาติของมัน แต่ด้วยเหตุที่เราตั้งออกตั้งใจสว่างโรตื่นรู้อยู่เนี่ยมันอาจจะพลังไปขณะจิตหนึ่งนะนึกขึ้นมาได้นึกปับ๊บจับปับ๊บนึกปับ๊บทันปับ๊บสติทันสติทันคือทันกิริยาอาการในปัจจุบันของใจใจของเราก็อยู่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าหากรับเอา กำกับให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าใจเราไม่อยู่ถ้าใจเราไม่อยู่เราเตรียมตัวไม่พร้อมระวังไม่พ อ, อการตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งอกตั้งใจตั้งเจตจำนงที่จะทําให้ใจของเราอยู่สติกํากับที่ใจของเราอยู่ตั้งใจไม่พอกํากับไม่พอพอสติมันอ่อนสมาธิมันก็อ่อนพอสติมันอ่อนปัญญามันก็อ่อน เพราสติเรากล้าสมาธิเราก็กล้าสติเรากล้าปัญญาเราก็กล้าความรู้กลอนอุบายวิธีทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นมาในหัวใจของเรามันก็กล้าเราจะเห็นว่าเราพยายามตั้งอกตั้งใจทำทุกครั้งอ่มันจะเพิ่มพูนตัวของมันเองมันจะละเอียดมันจะแหลมมันจะคมะมันจะคพ่มเพิ่มความแปลกปรลาดอัศจรรย์นในหัวใจของเรานี่คือการปรับ <leh> พื้นเพยจิตกิจใจของเราให้ดีเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรกสร้างรากสร้างถิ่นสร้างที่อยู่สร้างที่อาศัยให้กับหัวใจของเราสามารถจนสามารถสร้างได้แน่นหนามั่นคงมีสติกํากับอย่างพระอริยเจ้าท่านสร้างได้แน่นหนามั่นคงมีสติกํากับ โดยที t t ่เราไม่ต้องตั t t ้งอกตั้งใจสติจะเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติกำกับท่านเรียกว่าสติสมบูรณ์สติวิปุละสติวิพุละสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์สมบูรณ์โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเป็นตั้งอกตั้งใจทํานี่คือท่านฝึกได้แล้วท่านฝึกท่านฝึกฝนได้แล้วเหมือนอย่างเราทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งมีความชำนิชำนาญชานาญการ โดยที่เราไม่ต้องไปตั้ง อ, อกตั้งใจสามารถทําัปัป๊บปัป๊บปขึ้นมาได้ได้ทันทีสติที่ท่านสร้างท่านทําจนเต็มจนสมบูรณ์จนบริบูรณ์เหตุก็ทํามาได้อย่างเต็มที่ผลก็ได้รับผลได้อย่างเต็มที่เป็นจิตที่มีความตื่นรู้อยู่กับตัวเองทุกระยะทุกเวลามีสติกํากับทุกระยะทุกอิริยาบถเป็นหัวใจที่มีสติสมบูรณ์ สติวิปุลัสติวิปุลัเต็มเพียบพร้อมสมบูรณ์จิตพระอาหารหันต์นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอาาริยสาวกนะท่านเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีอะไรบินแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีอะไรบินคือไม่บินให้กับกิเลสตัณหาในหัวใจของเรามันเต็มเพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้น หลักปรัชญาหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราไม่โพรงต้องประสูในวันนั้นวันเพลนเดือนหกตรัสรู้ในวันนั้นวันเพลนเดือนหปริพานในวันนั้นวันเพลนเดือนหรูุ้นแต่วันเพลนเท่านั้นแสดงปฐมเทศนาวันเพลนเดือนแปดนีมีแต่วันเพลนเท่านั้นวันเพลนก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันเต็ม มันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นนิมิตหมายมันเป็นปริศนาธรรมบอกถึงความเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ในหัวใจในพระไตรของพระองค์ในหัวใจของพระสงฆ์สาวกพระริยาสาวกเต็มสมบูรณ์เพียรพร้อมบริบูรณ์สติสว่างตื่นรู้โรูอยู่ตัณหามัแทรกขึ้นมาไม่ได้มันแทรกขึ้นมาไม่ได้จนมันเพาะตัวขึ้นมาไม่ได้สร้างรกสร้างรากสร้างรวงสร้างรังขึ้นมาในหัวใจของเราไม่ได้ ในที่สุดมันก็ศูญพันธ์ไปมันก็ศูย์พันอ่อนแรงศูนย์พันถูกสติถูกปัญญาสอดส่องสว่างรู้เขาไปาไปถึงรกถึงรวงถึงรังของมันเนี่ยเหือดแห้งหายไปหมดพลิกหน้าคว่ำหน้าหายไปเลยไอ้ทุกกิริยาที่มันเคยแสดงกิริยาเร็วๆมาที่ใจของเรา ก, กิริยายัางไงบ้างที่กิเลสมแสดงออกมาในหัวใจของเราอ่า แสดงความโลภเห็นแล้วก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้เพราะทุกคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใหญ่ไปสัมผัสสัมผัสอะไรก็อยากได้สัมผัสอะไรก็อยากได้อยากได้กับอยากไม่ได้อาศัยความอยากเหมือนกัอยากได้ก็คือสิ่งที่ชอบใจอยากไม่ได้ก็คือสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่อยากได้คือผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปนี่นี่คือความโกรธ ความโลภจึงตามมาความโกรธจึงตามมามันสะสมในตัวของมันเองสะสมมากี่กับกี่การกี่เพลชเรชจตงจนเป็นนิสัยสันดานแก้ได้ยากมันอย่างมันมีอยู่ในหัวใจของเราของท่านน่มันแก้ได้ยากขนาดไหนมันดื้อด้านขนาดไหนมันเหนียวแน่นขนาดไหนกว่าเราจะเข้าไปรู้กว่าเราจะทันกว่าเราจะมีกาลังสติกาลังปัญญาเพียงพอที่จะตามรู้ตามต้นมันน่มันรู้ได้ยาก Mm hmm. เพราะใครอยู่ในท่าทีที่เราตั้งใจฝึกฝึกอย่างนี้ท่านเรียกว่าฝึกปฏิบัติธรรมฝึกปฏิบัติธรรมมันเป็นความฝึกในชีวิตจิตใจของเราที่สูงที่สุดเป็นอนุสรณ์ของชีวิตของเราที่สูงที่สุดที่เราควรให้ความสำคัญควรให้ความหมายเราฝึกจนได้เฉลี่ยจนได้เฉลี่ยนิสัยเราไปอยู่บ้านาอยู่ช่องทำงานทำการเราก็สามารถเอากิริยาเหล่านี้มาใช้ได้ มาฝึกได้ฝึกไม่ให้กิริยาในใจของเรากิริยาที่มันเ็วๆมันแสดงออกมามีอะไรมาขัดมาคอโกรธ อ, อย่าเงี้ยมีอะไรมาผิดหูผิดตาน่ยขัดข้องในหัวใจเครียดเงี้ยโกรธเครียดไม่พอใจแน่ในขณะนั้นเราดูไปที่ใจของเราเป็นไหนใจของเราเป็นไงพอกิริยาเหล่านี้โผล่ขึ้นมาปั๊บจับไปที่ใจการที่เราจับไปที่ใจหมายว่า เมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่เราสอดส่องลงไปโอ้อารมณ์กับใจคือผู้รู้มันทะเลาะกันแล้วแหละมันขัดกันที่เรียกว่ามันขัดกันปฏิฆะปฏิฆะแปลว่ามันขัดกันเราสอดส่องเข้าไปมันเป็นการไปใคร่ไปครวนไปชะไปล้างไปวิจัยไปวิจารณาไปตัดสินคดีความอะไรแต่ไรเนี่ยชี้แจงเหตุผลให้กับมันเพื่อให้สิ่งเล่านั้นมันยุบยอบลงไปหัวใจมันเป็นไงเวลามันเกิดขึ้น หัวใจมันมีกิริยาเหมือนกันนะกิริยาที่เป็นหัวใจที่เป็นรูปประธรรมเนี่ยมันมีกิริยาเหมือนกันแล้วดูมาที่กิริยาที่รูปธรรมแล้วก็ดูไปกิริยาที่เป็นนามธรรมคือปฏิกิริยาของผู้รู้ของเราคืออะไรเป็นอะไรบางทีด้วยเหตุที่ปฏิกิริยาข้างในใจของเรานะ่ยมันแสดงออกมารุนแรงเป็นเหตุให้หน้าดำหน้าแดงตาดำตาแดงขึ้นมาแน่เพราะรูปธรรมอันนี้กับนามธรรมอันนี้มันเกี่ยวข้องกัน และสิ่งเหล่านี้มันมีบทบาทในชีวิตของเรามาตั้งแต่กับการบริชาติไหน เ, นเราทราบมาได้จนเป็นนิสัยสันดานเข้ามันอยู่อย่างนั้นพยายามรักษาอารมณ์เหล่านี้ไม่ให้กิริยาที่ไม่ดีในหัวใจของเร า, าแสดงออกแสดงออกจนเชื่องจนฉินจนกลายเป็นนิสัยสันดานจนเป็นกลายเป็นวิบากจนกลายเป็นนิสยัย จนกลายเป็นจริตจนกลายเป็นนิสัยนะด้วยเหตุที่เราทําอะไรตามใจชอบนั่นแหละคนเราจึงมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนราคะจริตชอบสวยชอบงามบางคนราโทสะจริตเนะี่ยมีอะไรผงพางขึ้นมาเนะี่ยกระตกกระตักขึ้นมาทันทีเลยเนะี่นิสัยโทสะจริตเนะี่ยฉุนเฉียวเรียวกราดขึ้นมาทันทีโทสะจริตเนะเพราะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจน ชินกับสิ่งที่มันเคยป้อนให้กับหัวใจของเราโมหะจริตลุ่มหลงแล้วถ้าใครจะพาทําอะไรลุ่มหลงไปหมดคือมันไม่สว่างจ้าโดยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลอันนั้นก็คลุมเครืออันนี้ก็คลุมเครือโมหะจริตไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่มีความสว่างสวยไม่มีความแจม่มแจ้งในเหตุในผลที่จะของทำที่ตัวเองทำนี่เราพูดทั้งหมดเงีงเราพูดในหัวใจของเราเท่านั้นเอง พยักกิริยาสมถะคือเราพยายามให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ทำอารมณ์หนึ่งเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็เป็นการสร้างสติพอจิตของเราถูกอำนาจของสติครอบงําอยู่ปั๊บจิตของเราก็อยู่ไม่เปิดช่อยกับกคดีตัณหามันไปแสดงกิริยาให้พื้นเพยจิตนิสัยของจิตดวงนั้นเนี่ยแสดงกิริยาความโลภความโกรธวิชาริษยาพยาบาท รอขึ้นมาในที่นั้นน่ะจิตก็สงบจิตค่อยชุม่มจิตก็เย็ยนด้วยเหตุด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุที่มีสติครอบอยู่ในนั้นน่ะเหมือนกับจิตของเรานสว่างสวยบทบังสิ่งที่ที่มืดมิดด้วยอวิชชาที่มันมาบทมาบังจิตของเราเหมือนกับจิตของเราสวา่สวบบางสงว ย, วาาสวสวยโดยหลักธรรมชาติของมันเองเป็นอย่างนั้นะความรู้รู้ตัว รู้จนเหมือนกับมันสว่างรู้จนเหมือนกับมันสว่างสวยจิตของเราเนี่ยย้ำตั้งใจให้ได้รับความสงบจะจับอารมณ์อะไรก็เหมือนกันหมดถ้าเราเข้าใจพุโทโธพุโทโธฟองหนอะยุบเนาะอารมณ์ของอะไรก็คืออารมณ์ที่เป็นธรรมเพื่อต้องการเอามาเป็นเครื่องผูให้จิตของเราในอยู่ อารมณ์ก็เหมือนกับหลักงานแหละสติของเราเหมือนกับเชื่อผูกอะไระปลายหนึ่งผูกกับหลักปลายหนึ่งผูกกับจิตเอาอะไรผูกเอาสติผูกผูกให้ให้มันอยู่กับอารมณ์นั้นให้มันอยู่กับอารมณ์ธรรมถ้าหากเราไม่ผูกให้ผูกให้มันอยู่กับอารมณ์ธรรมกิเลสมันก็ดึงไปใช้มันเป็นของสองเจ้าของตอนเนี้ย เราพยายามต่อสู้มันเป็นของสองเจ้ของเจ้าของอันหนึ่งคือธรรมเจ้าของอันหนึ่งคือกิเลสพาใครเกิดมาแล้วมันติดมาด้วยไม่มีใครสร้างให้เราพ่อแม่ไม่ได้สร้างให้เราไม่ได้ทำให้เราแผ่นดินแผ่นฟ้าอะไรที่ไหนไม่ได้สร้างไม่มีอะไรสร้างให้เราความชินชาเจดิิสัยของเรามาสร้างมันฟักตัวมันพัฒนามาในตัวของตัวมันเองเพราะฉะนั้นเราจมาแก้ยาก ยามรักษามันอยู่อารมณ์ที่เปลยนธรรมพุทโธพุทโธพุทโธเวลามันอยู่แล้วมันเป็นยังไงมันมีความสงบมันมีความสุขมันมีความอิม่มเ อ, อิบจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งเบาสบายสว่างสวายไม่มีอะไรมาขัดม า, ขมาคล้องมาขุ่นมามัวมองเห็นสิ่งอื่นที่เป็นอารมณ์ที่นอกเหนือไปจากใจของเราเนะี่ยเป็นของนอกใจไปทั้งหมดบางทีละเอียดลึกเข้าไปมองมาที่กายกลายเป็นของนอกใจไปกาย กายของเราเนี่ยแหละมันมันกลายเป็นของนอกใจไปซะหมดจอ่ออยู่เฉพาะใจเนี่ยกลายไปหมดทิ้งอารมณ์รอบข้างเราทั้งหมดทิ้งอารมณ์ที่เป็นแม้แต่กายกบทิ้งเนี่ยคือผู้รู้คือใจของเราย้ำฝึกฝนอบร ม, มให้มันสงบในนั้นมีความสุข มีริษมีเดชมีอภิญญานะตามคิดนิสัยที่เราจะพึงสร้างพึงทํำไดอ้อภิญญาหรือริษเดชอย่างหนึ่งที่เราเห็นทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีนิสัยคือสามารถปราณีวอนได้อันนี้สําคัญที่สุดนี่ตัวพยามานเป็นลูกเป็นหลานเป็ น, นเหลนของพยามานกิเลสสมานมันแทรกออกมาที่ความรักความชัง คมฉันทะความรักขึ้นอยู่ว่าความรักมันก็จายไปหมดแหละอยู่รอบข้างตัวเราแม้แต่กระทั่งอวัยวะของเราสิ่งของใช้สอยที่อยู่รอบข้างตัวเราตั้งแต่ใกล้ไปจนถึงไกลรวมไปถึงอารมณ์อารมณ์รอบข้างตัวเราเป็นเหตุให้เราห่วงเราแหนเราทะนุถนอมเป็นเหตุให้เรา ชอบใจเป็นเหตุให้เรารักดึงมาคองดึงมาคองดึงมาคองโอกาสเสียสละไม่มีดึงมาคลองตั้งสมมติกึกขึ้นมาหมายว่าเป็นเราโอ้เป็นของเราเป็นของเราได้มาได้มาเพื่อเราได้มาได้มาเป็นของเราได้มาเพื่อเราได้มาเราหึงหวงเราถนอมอยู่นั่นแหะ นี่คืออารมณ์ที่อยู่รอบข้างตัวเราทําให้เราไม่ได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นตัดกระแสของธรรมะไปแล้วแหละเอาไปรักเอาไปชังเอาไปโกรธเอาไปเกลียดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราอยู่กับอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมก็คืออารมณ์ของสมถะธรรมอารมณ์ของวิปัสนาธรรมวิปัสนาธรรมก็คือสงบอย่างเดียวท่านว่าสมถะสงบด้วยพิจารณาด้วยท่านว่าวิปัสนา สงบด้วยพิจารณาด้วยถ้าวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาหรือมหาสติเราต้องการพิจารณาเกิดเป็นวิปัสนาเราก็ต้องมาเดินเดินลักษณะของการพิจารณามหาสติมหาสติมหาสติปัฏฐานนี่แลหละาสติก็คือพยายามตั้งใจตั้งสติเอาสติมาจำกับที่กายกายานุปัฏนาสติปัฏฐานสติสามาจำกับที่ เวทนาเวทนาความดีใจความเสียใจความสุขความทุกข์ถ้าเราไม่ตั้งตัญหามันก็ยึดมันก็ครองดีใจปั๊บมันก็ยึดเสียใจปั๊บมันก็ยึดเพราะฉะนั้นเราจึงเอาสติมาตั้งที่เวทนาใ น, นเมื่อเรามาตั้งที่เวทนาเมื่อก็เรากำหนดจดจอ่อจ้องดูเวนยามเฝ้าอยู่สิ่งเหล่านั้นไม่กล้ามาไม่กล้าม า, มาหน้าบ้านเราไม่กล้ามาหน้าร้านเรา ไม่กล้ามาหน้างานของเรามันไม่กล้ามาจิตก็เช่นเดียวกันดูเวทนาและดูมาที่จิตจิตก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็คือสติสติก็คือจิตจิตเกิดจากสติสติคุม้มครองดูแลรักษาจิตนี่คือจิตถ้าเราไม่ระมัดระวังตัณหาเราก็แทรกมาที่จิตแล้วก็อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของใจตกผลึกอยู่ข้างในท่าเรียกว่าอารมณ์ธรรม ตามกนด จ, ดจดจ่อจิตเป็นจิตตานุปัสสนาตามกนด จ, ดจดจ่อธรรมอารมณ์ของจิตภายในลึกๆเป็นธรรมานุปัสสนาชันอยาเราพิจารณนิวรณิวรณ์พิจารณาการมฉันทะพยาปาทะพิจารณาความง่วงเหงาห้านอนพิจารณาความฟุ้งซ่านรำคาญของใจพิจารณาความลังเลสงสัยของใจมันก็เป็นการตามพิจารณา อารมณ์ที่เปลี่ยนธรรมที่เรียกว่าธรรมมนุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติมาตั้งกึกกำกับอยู่ที่นี่ตัง้งกำนดจดจ่อพิจารณาอยู่นี้แหละนี่แหละคือการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นมหาสติจนเป็นมหาสติเอาสติมาตั้งเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานาท่านจึงเรียกว่ามหาสติมหาสติมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐาน เป็นมงกุฏกรรมฐานครอบกรรมฐานหมดทุกสิ่งทุกอย่างกรรมฐานทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่นู่นว่าอย่างนั้นครูบาอาจารย์ที่นี่ว่าอย่างนี้นครูบาอาจารย์ที่ไหนว่ายัางไงมงกุดกรรมฐานนี่ครอบไปหมดคือมาสติไม่พ้นไม่เลยไม่เกินไปจากนี้ไม่เลยไปจากหลักของมาสติประธานพราะฉนันถ้าเราไปขัดแย้งกันไ ป, ไปเถียงกัน ไปขัดแย้งกันไปอะไรกันแสดงว่าไม่เราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เลยไม่รู้เรื่องของมาสติเลยแท้ที่จริงคือมาสติทั้งหมดนั่นแหละสถมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามเราแยกออกมาพูดเฉยๆเราแยกเอามาพูดเฉยๆว่าสถามถะแยกเอามาพูดเฉยๆว่าวิปัสสนาในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจทํามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามเถอะมันจะสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแค่มันสงบเป็นผลเป็นรายได้ของเราเท่านั้น มันจะสงบอยู่กับอารมณ์ที่มันกระดุกกระเดกเพลียแปลงเวซ้ายดูขวากิริยายืนเดินนั่งนอนสติมากากับให้อยู่กับสิ่งที่เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างเดินเราก็เอาเดินเป็นอารมณ์นั่งอเอานั่งเป็นอารมณ์ยิบนะวางดื่มคิดจัดเก็บ ยกวางซักพับผ้าเก็บผ้าซักผ้าเช็ดพื้นถูพื้นทําอะไรก็ตามให้อยู่กับอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวยามตั้งสติกํากับโรคเนี่ยเพราะฉะนั้นการพิจารณาการใช้ปัญญาผ่านสติผ่านสัมปชัญญะตรงนี้ท่านจึงว่าสามารถเอาไปใช้กับงานได้ทุกงานทุกอย่างทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานการอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานขีดงานเขียนไม่ว่าจะเป็นงานของอะไรแท้ที่จริงเราระมัดระวังได้เราทำได้ตัณหามันแทรกไม่ได้ตัณหาแทรกไม่ได้จริงๆเราพยายามกีดกันพยายามปกป้องพยายามคุ้มครองจิตของเราไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันแสดงให้ปรากฏเพราะอันนั้นเป็นกิริยาเก่าๆเป็นผลงานเก่าๆที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจของเราชะล้างจน รากจนเหงา้าจนต้นจนต่อมันจะเริ่มฟอเริ่มหมดเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งถ้าเผื่อถ้าเผื่อเป็นต้นพืชหรือถ้าเผื่อจะเป็นเหง้าของพืชจนหัวจนเหง้าของพืชต้นนั้นมันเหี่ยวไปมันแห้งไปเพราะมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันเหือดไปมันเหี่ยวไปมันแห้งไปแล้วก็มันตายลงในที่สุด ในเมื่อมันตายลงในที่สุดแล้วมันไม่มีเยื่อใหญ่ที่มันจะออกขึ้นมามันไม่มียอดอ่อนมันไม่มียางอ่อนมันไม่มียางเหนียวในใจของเราเช่นเดียวกันเราพยายามปรับจนความอยากในหัวใจของเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะแสดงออกมาได้ในที่สุดมันก็เหี่ยวมันก็แห้งมันก็หดมันก็หายหายปลิ้นหน้าหายไปเลยอืมปลิ้นหน้าหายไปเลยแลจิตของเราก็เป็นอิสระเป็นเสรีไม่ต้องระมัดระวังอะไร ถึงาญาณทัศนะถึงขั้นระดับาญาณถึงขั้นระดับาญาณถึงขั้นระดับความรู้ถึงขีดถึงขั้นมันคงที่มันอยู่ที่มันแสดงให้เกินเลยนั้นไปไม่ได้แล้วหายก็หายไปจริงๆไม่กำเริบนี่กิริยาเร็วๆในใจของเราจนมันหดหัวหายไปหมดอนกุกมไม่กำเริบอันนี้ก็ไม่กรราคะก็ไม่กำเริบคิดดูสิราคะไม่กาเริบโทสะไม่กำเริบ แต่กิริยาฉวนเฉียวข้างนอกเนี่ยเราเอาเป็นเกณฑ์ม่ได้เพราะกิริยาของของใจกิริยาของกายแต่ตัวเจ้าของเองรู้เองอถึงแม้ว่าจ ะ, จะแสดงกิริยาผงผางอะไรต่ออะไก็ตามแต่มันไม่มีโทสะมันไม่มีเพราะเอากิริยาของของขันอันนี้มาใช้เอากิริยาของขันอันนี้มาใช้กิริยาของขัน ใครเคยมีจริยนิสัยผงผางมาอย่างไงมันละไม่ได้มันเว้นไม่ได้ผู้ละได้ผูเ้เว้นได้อานุสัยสันดานที่มีติดข้างมาในใจละได้เว้นได้เด็ดขาดคือพระสมาสัมพุทธ a องค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นละไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะหัวใจของเราเราเคยเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เคยเกิดเป็นอะไรเหมือนอย่างที่กล่าวภาษาริบุตรท่านเคยเป็นลิงเงีย้ยอดีตชาติท่านเคยเป็นลิงเงีย้ย นิสัยของท่านก็ยังมีอยู่เนี่ยนิสัยดั้งเดิมตัวนี้ละไม่ได้อนุวใสตัวนี้เนะนี่ยนิสัยเจตินิสัยตัวน้ละไม่ได้แต่ตัณหาราคะในหัวใจของเราเจรินิสัยอ น, นี้มันเป็นกิริยากิริยาที่เคยมีกำกับกายกำกับวายจามันมีอยู่เหมือนอย่างกโกรธเนี่ยเหมือนอย่างเครียดนี่เหมือนฉุนเฉียวเกรียวกราดเหมือนก็กโกรธเหมือนกัเครียดเหมือนกัจะทุปยาตีเหมือนกับจะฆ่าจะแก่เนี่ย เพราะกิริยาดั้งเดิมมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อางนั้นกิริยาเหล่านี้มันละไม่ได้ถึงแม้ว่าอเจ้าตัวที่มันแสดงให้เกิดกิริยาเหล่านั้นคือความโลภตัณหาราคะหน่วใจของเรามันดับไปแล้วแต่กิริยาเหล่านี้ก็ยังมียังเป็นอยู่ผู้ละได้สมบูรณ์แบบหมดจดบริสุทธิ์ร้อเปเซ็มีองค์เดียวคือพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะละอนุสัยสันญานที่เคยมีมาอย่าละได้หมดอ่อนนิ่มเป็นธรรมไปทุก เม็ดหินเม็ดทรายภายในกิริยาพระไถ่ภายในพระไถยของพระองค์ภายในกิริยากา ย, ยของพระองค์ภายในกิ ร, ยากายริา ย, รยาวาจากคำพูดเราไปฟังดูเถอะเราไปรู้ในพระไตรปรนะิฎกเน่ยที่ท่านเอามาพูดเอามาสแสดงไว้ที่เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธวิญญาท่าทนพูดนะท่านจะพูดในแง่ยาบในแง่คายในแง่อะไรแต่ละท่านพูดสม่าเสมอออกมาเราฟังดูเป็นเหตุเป็นผล พูดถึงรักถึงชังถึงค่าถึงแกงถึงอะไรก็ตามพูดแบบเป็นธรรมไม่ใช่พูดมาพร้อมกับอารมณ์เหมือนอย่างคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่คือพ <c oughs> ระพุทธเจ้าของเราสามารถทำได้ไปจากการฝึกฝนไปจากการอบรมนี่แหละไปจากการตั้งใจปฏิบัตินี่แหละการที่เราตั้งใจมาอบรมถึงก้นบึ้งของ หลักสมถะหลักวิปัสนามันเป็นการรู้วองลึกเข้าไปถึงต้นต่ออย่างแท้จริงเราไม่ได้มาศึกษาแค่กิริยาผิวเผินที่จะเรียกว่าจรยิยาจจจรจรจริิิยยยะธรรมจริยธรรมเหมือนเราไปพูดเราไปฟังเขาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเอาหัวข้อนั้นมาอธิบายเอาหัวข้อนี้มาอธิบายเอาหัวข้อนั้นมาอธิบายไม่เคยยังลึกเข้าไปถึงสาเหตุต้นต่อของตัวที่มันแสดงกิริยาออกมาก็าไม่เคยยังลึกเข้าไปถึง นะหัวใจที่มีธรรมกิริยาแสดงออกมาเป็นไงหัวใจที่มีกิเลสกิริยาออกมาแสดงออกมาเป็นยังไงเขาไม่เคยยังถึงอ น, นั้นเขาเอาแต่หัวข้อธรรมที่เป็นจริยะเอามากำกับที่กายอย่างศีล น, นี่มันก็เป็นหลักจริยธรรมอย่างหนึ่งศีลเอามากำกับที่กายไม่ฆ่าสัตว์เป็นจริยธรรมจริยะก็คือการประพุทธธรรมะเสนอเอามากำกับกาย สำหรับอามาคำกลับวาจาก็เป็นจริยธรรมแต่ที่จริงเราพูดเราพูดถึงจะเข้าใจละเลอียดขนาดไหนก็ตามก็ยังมันก็ผิวเผินผิวเผินเหมือนต้นไม้เหมือนเครือไม้เหมือนใบไม้พืชบางอย่างมันแทงออกมาจากดินเนี่ยแต่งเงามันอยู่ใต้ดิ น, น, นเราไม่เห็นเราเห็นแต่ใบมันเราเห็นแต่เครือมันเราเห็นแต่ต้นมันซึ่งอยู่บนดิน เร่องอยู่บนดินไอ้ที่อยู่ใต้ดินเราไม่เห็นเราก็เอาเรื่องบนดินนมาพูดกันนี่คือจริยาเอามาคำกับในขั้นของศินในขั้นของศินก็คือขั้นจริยธรรมข้างนอกพื้นผืนสินมาคำกับที่กายที่วาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ถือพติกรรมสินห้ามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยน ะ, ะยิ่งเป็นเรื่องของศินแปลกละเอียดก็ไปอีกเหมือนอย่างที่พเราตั้งใจถือตั้งใจรักษาดี 3าวันสองคืนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นอนุสรณ์ชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาดูดิท่านให้ความสำคัญอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพ ย, พย์ให้อยู่อย่างพรมไม่สนองความต้องการของกิเลสตัณหาเหนไหมแม้แต่สามีภริยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้สินแปดมไม่พูดเท็จพูดตรงไปตรงมาพูดด้วยสัจจะมีหลักอ้างอิงมีสัจจะไม่ ไม่พูดหยาบเนี่ยไม่พูดส่อเสียดใส่ร้ายป้ายสียุโยงส่งเสริมไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ในสังคมทุกวันเนี่ยทุกคนมักจะออกช่องนี้ช่องเนี้ยช่องยุโยงส่งเสริมใส่ร้ายป้ายสีอถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีก็ตามถ้าห ถ, ถูกสังคมนี้มันรุมตีทุ่มตีลักษณะนี้ ด้วยเหตุที่จิตใจของเราเยังอ่อนปวกเปียกยังไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเป็นของตัวเองเนี่ยอดที่จะทุกไปกับที่เขาวิจัยวิจารณ์นั้นไม่ได้ศาสตร์ที่ต้ อ, องพี่โครนาศาสตร์สิ่งโซคโปรกโซโครสัยกันได้ไง่ายๆสังคมยุคปัจจุบันทําลายความน่าเชื่อถือกันดิสเครดิตกันเนี่ยสังคมในปัจจุบันเนี่ยร้ายกาศมากร้ายกาศมาก อ่าส่อเสียดยุยงสอเสียดยุย ง, เ, ยยยงเรื่องดีไม่ดีเรื่องมีไม่มีเท็จพื้จริงเอามาพูดซะก่อนเอามาชเฉลยเอามาพูดตั้งเป็นประเด็นแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลของตัวเองแล้วก็พูดไปวิจารณวิจัยไปคนที่ฟังเข้าหูบ้างเข้าเหตุผลบ้างเข้าอะไรบ้างเออจริงหรือไม่จริงไม่รู้แหละแต่ฟังไปแล้วกลายเป็นตูเป็นต่าไปหมดนี่ผัวเมียที่เคยอยู่ด้วยกันดีๆมีคนมาบอก หรือไม่ก็ฝ่ายได้เสนอไปดูหมอดูเฮ้ยสามีภรรยาของคุณเนี่ยอาอยู่ด้วยกันไม่ตลอดดอกไม่ใช่คู่บารมีอยู่ด้วยกันไม่ตลอดดอกไม่ใช่คู่บารมีเขาใช้คําว่าต้องเลิกกันกลางคันต้องเลิกกันกลางคันฮหมสมบัติสามีรูปรั๊ภรรยารูปั๊บทาให้หมอไป น, ะนะั่นแทกเลย หัวใจแตกกันแล้วนะ่ะเห็นไหมนี่คืออะไรคื อ, อยุโยงส่งเสริมใส่ร้ายซ่อเสียดเนี่ยร้ายกานะสามีภรรยายอยู่ด้วยกันดีๆนี่ ด, ดีไม่ดีเป็นคู่บา ร, รมีกันด้วยซ้ําไปแต่ด้วยเหตุที่ฮะไม่มีความหนักแน่นพอเนี่ยถูกยุโยงส่งเสริมแค่นี้กระเทือนแล้วเนเจอหน้ากันชักมองหน้ากันแปลกแปลกแนละ้วชักมองหน้ากันไม่ค่อยชัด ส, สักหน่อยหนึ่งจับกิริยาผิดกันแล้วนั ะ, น ะ, นะเอี่ ใช่เหมือนเขาไหวจริงหเปล่านี่คืออะไรคือข้อเท็จจริงที่มันมันมีคนใส่ร้ายป้ายสีนี่กิริยาของไวจีทุดจริตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในกุศลกรรมบทเราไปดูนะไหวจีคำสีไวจีกรครำ ส, รรสีไม่พูดยาไม่พูดเท็จพูดยาพูดสอเสียดพูดเพย์เจอรซอเสียดใส่ร้ายป้ายสียุโยงส่งเสริมอันนีร้ายกาจที่สุด ไม่มีว่ามีไม่จริงว่าจริงไม่เป็นว่าเป็นคนไม่ได้ทำว่าทำไอเรารู้อยู่เราไม่ได้ทำแต่คำว่าเราทำในสุดด้วยเหตุที่เราไม่หนักแน่นมั่ น, นคงพอเราก็แป้วใจไปกับเขาทุกใจไปกับเขาพลอยวุ่นวายใจไปกับเขาในใจมันหมุนติวติวติวตมันไม่ชอบใจนะมันโกรธขึ้นมาในหัวใจ คนดีๆมาหาว่าหาว่าคล่าวว่าใส่ร้ายนะเราจะเห็นสังคมในหน้าในหน้าข่าวในหน้าสื่อเราจะเห็นเราเราไปดูเถอะคนดีขนาดไหนก็ตามถ้าเขามารุมเล่นงานเนี่ยนะร้อยคนนั้นน่ยปลอยยุบย่อไปกับเขานะแต่ถ้าหากจิตใจมีหลักมีเกณฑ์และรู้ข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จริงคือเรากรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาเราทําหรือไม่ทําเราเป็นหรือไม่เปลี่ยนเรารู้หรือไม่รู้มันเป็นของเราเรารู้เอง แต่เราจะตัดสินใจได้ไหม้าไม่แค่พูดตั้งใจปฏิบัติจริงจังแล้วจิตใจจะไม่หนักแน่นมั่นคงในเมื่อใจไม่หนักแน่นมั่นคงจิตใ้ก็อ่อนทุบพลอยทุบไปกับเขาพลอยเดือดร้อนไปกับเขาพลอยวุ่นวายไปกับเขาดีไม่ดีครอบครัวอยู่ด้วยกันดีๆีพลอยแต่ไปตามคําพูดของเขาแหมสังคมเริวารดีๆีทำงาด้วยกันสีคนห้าคนสิบคนยี่ิบคนก็ตามแต่ มีคนมายุแย่สหน่อยหนึ่งแต่ไปตามเขาเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่แน่นหนามั่นคงไม่มีสัจจ์เพราะฉะนผู้ที่เข้าถึงสัจจกพระโสดาบันผู้ที่เข้าถึงสัจจ์จึงเป็นผู้มีศรัทธาเป็นอจฉะศรัทธาอ่าอจะศรัทธาศรัทธากับพระุทธเจ้า ว, ว่าธรรมประสงศรัทธากับสับจจกคือข้อเท็จจริง ข้อทจจริงที่จะขอเข้าไปรู้เข้าไปเห็นใครจะมาพูดยังไงไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดเพราะเรา ป, ประยักปัญญาโดยหัวใจของเราเองเราเห็นก็เราเองใครจะพูดว่าใช่ใครจะพูดว่าไม่ใช่ใครจะพูดยังไงก็ตามแต่เรามีที่หมายของเรามีที่เกาะของเรามีที่ยึดของเราหัวใจถ้ามาถึงขั้นระดับนี้ไปเห็นสัตย์จะทด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยเป็นกาแพงเป็นกราะ มาคอยปกป้องมาคอยคุ้มครองไม่ให้หัวใจของเรากำเริบะจะให้เหมือนเสาหินฝังนึกลงไปไม่โยกไม่คลอนจะเป็นพายุรุนแรงขนาดไหนก็ตามเถอะไม่ยุบไม่โยกไม่แยกไม่คลอนไม่แคลนเพราะข้อเท็จจริงอยู่ที่เรานี่ทำไมเราจะประับปรุงหัวใจของเราได้ระดับนี้เป็นคนนิ่ง เป็นคนที่ไม่อ่อนไหวเป็นคนที่ไม่ไม่มีกิตใจว้าวุ่นไปกับเรื่องความทุกข์ท่าไหลายที่อยู่รอบข้างตัวเราอืแม้แต่เรื่องของโลกกระทำโลกกระทำเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาเพียงพอโลกกระทำนี่แหละทําให้ใจเราว้าวุ่นอมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศนินทาสารเสริญสุขแล้วก็ทุกเนี่ยมันของคู่กัน บางครั้งเราก็ลืมเราไม่ได้คิดเราไม่ได้พิจารณาแล้วว่าต่อารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็บว่าวุ่นไปตามอารมณ์เหล่านั้นมีลาบไม่มีลาบคือได้มาแล้วก็เสื่อมไปความหมายเนี่ยเพราะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุ ก, ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ก็ตามไม่มีอะไรที่จะคงที่ความสุขได้มา มันไม่ใชว่าจะได้มาคงที่แล้วก็มันจะต้องเสียไปเพราะฉะนั้นท่านจะโอ้ได้มาเดี๋ยวก็เสียไปอมีคนสารเสริญโอ้ยเดี๋ยวมีคนนินทาอมีความสุขชัมม่วโมงนี้มีความสุขเฮ้ยเดี๋ยวชัมม่วโมงหน้ามีความทุกข์ผ่านเข้ามา ừ, นินทาได้เดี๋ย ว, ขวเขาก็สารเสริญได้สารเสื่ญได้เดี๋ยวเขาก็นินทาได้เพราะฉะนั้นเรา ท่านจึงไม่ให้เราตายใจกับสิ่งเหล่านี้นี่คือโลกกระทำโลกธรรมใครทําใจได้รู้เท่าทันโลกธระทเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมขั้นหนึ่งระดับหนึงยังไม่เข้าไปเห็นสัจจะสัจธรรมถึงขั้นว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก็ตามทําความเข้าใจรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกธระทแค่นี้เราก็อยู่เย็ยนเป็นสุขได้จิตใจของเราไม่อ่อนแอไม่คลอนแคลนไม่เหมือนปุยนุ่นไม่เหมือนควันไม่เหมือนสำลีอ่า ถูกลมมาจากตะวันออกพัดไปตะวันตกมาจากตะวันตกพัดไปตะวันออกมาจากเหนือพัดไปใต้มาจากใต้พัดไปเหนือไม่เป็นตัวของตัวไม่นิ่งไม่อยู่กับที่กิริยาอ่อนไหวทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนั่นแหละพลอยสุขไปตามเขาพลอยทุกข์ไปตามเขาไม่เป็นตัวของตัวการที่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมเหล่านี้ทำให้เราเป็นตัวของตัว ทำให้เราเป็นตัวของตัว <c oughs> นี่เขาหกโมงห้าโมงห้าโมงสี่สิบห้าห้าโมงสี่สิบห้าเราจะเดินไปจนถึงไหนหกโมงครึ่งพักหรือหรือถึงเจ็ดโมงพักแล้วไปรับทานอาหารเลยเหรือ 6ม 45. 45. 45แล้ว6 45เราถึงหยุดเดินเราลงไปเดินเท่าไหร่6โมงเราลงไปเดิน6โมงเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก่อนที่เราจะลงไปเดินอ่ราระยะนี้มีอะไรคุยบ้างไหมอาคุยได้เรเวลาเล็กน้อย <c oughs> สององค์เพื่นไปบินทะบาได้นะัน่งรถสาเล้งไปบินทะบาดเอาเลยดังหน่อย การที่เราตั้งไว้เป็นกฎเป็นเกณฑ์มันก็เป็นแบบมันก็เป็นแบบมันก็เป็นเยี่ยงยางมันก็เป็นแบบยาเราถือว่าเป็นตารางบังคับเราไปในตัวแท้ที่จริงเราเดินเมื่อกี้ก็ อ, อธิบายมาจนตลอดรายการแล้วเดินเพื่อต้องการให้เราแน่นหนามัน่นคงด้วยสติด้วยสัมผชัญญะนั่งก็ต้องการให้แข็งแรงมันง่นคงด้วยสติด้วยสัมผัสัญญะ ทำนู ni, điều, ỉ, èn, ้นทำนี้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอธิบายไปจนหมดแล้วต้องการให้เรามีสติมีสัมผัสัญญาการที่เราตั้งใจแบ่งเดินสักครึ่งชั่วโมงนั่งสักครึ่งชั่วโมงเดินสัก1ชั่วโมงนั่งสัก1ชั่วโมงเดินสักสชั่วโมงนั่งสักสองชั่วโมงก็แล้วแต่เราจะแบ่งเราได้รับความสะดวกสบายตามอัธยาศัยของเราแต่เรามาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราจะต้องทํา จะต้องนับต้องแนการต้องพร้อมกันเราไม่ได้ต่างคนต่า ง, างทําตามอัธยาศัยเพราะมันเป็นเวลาที่เราการเราเกณาร่วมกั น, ก า, น, ก, นการเดินจงกรมเดินการเดินจงกรมก็อยู่กับอิริยาบถของตัวเองเราจะพองนอยยุดน้อยเราจะก้าวเหยียบก้าวเหยียบก้าวเหยียบย่างเหยียบย่างเหยียบหรือเราจะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคอยมีสติกํากับจิตของเรา หรือว่าเป็นอันใช้ได้หรือเราจะพิจารณาบทธรรมในขณะที่เราเดินเพราะในขณะที่เราเดินมันเป็นกิริยามันเป็นอิริยาบทที่กายของเราเนี่ยมันตื่นมันไม่สะประกอกเมื่อเรานั่งเพราะฉะนั้นเราควรจะพิจารณาอย่างอื่นพิจารณาอย่างอื่นพิจารณาอะไรพิจารณากายนั่นแหละพิจารณาหานิไรไลหานิจังทุกขังอนัตตาไล่เข้าไปสิดูอะไรเป็นกายอะไรเป็นเรา พิจาไล่เข้าไปสี่เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนงังดูไปให้งานกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเราดูไปเนี่ยเราเดินไปเอาพุโทโธมากํากับที่ใจเลยก็ได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องอิริยาบถพุโทโธพุโทโธพุโทโธเสีระวังให้ดีก็แล้วนะเดี๋ยวตกคลองนะฮะ เดี๋ยวตกคลองนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยังไงตัณหาไม่แทรกที่จิตของเราไม่ได้พยายามกีดกั้นด้วยสติที่ท่านว่ากระแสกระแสกระแสหนึ่งก็คือกระแสธรรมกระแสธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตากระแสอีกอันหนึ่งก็คือกระแสธรรมเหมือนกันมันเป็นกระแสของสติกระแสของสติกระแสของกิเลส สติสามารถกั δ, ้นกระแสะได้กระแสะของตันหานะสติของเราเนะี่ยเป็นสามารถเอามากั้นกระแสะของตันหาได้ไม่ให้กระแสะของตันหามันแทรกเข้ามาที่ใจของเราการที่เราพยายามตั้งสติเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดในหัวใจของเราไม่ได้เนี่ยทำให้ใจดดของเราได้รับความสงบเราจะกาเกณฑ์ตามเพราะดีเพราเหมาะของเราเราจะเดินเราจะนั่ง ตามพอดีพ่อหมอของเราพุทธโธพุทธโธขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธขวาพุทซ้ายโทพุทธโธพุทธโธอย่างนี้ก็ได้ย่างเหยียบย่างเหยียบย่างเหยียบหรืออยู่กับความรู้สึกของกายของเราที่มันไปอย่างนี้ก็ได้ว่าแต่ไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาแต่เราจะทําอะไรก็ตามขอให้มันเป็นหลักของเราไม่ใชจ่จับนุ่นปล่อยจับนี้ปล่อยจับนั้นทีจับนี้ทีไม่ใช่อ อย่างที่เราจัดระเบียบอยู่ บ, บนนี้เราก็ถือว่าพอดีแล้วเราพักสองชั่วโมงแล้ว เ, เราขึ้นมาสองชั่วโมงตอนค่าก็สามชั่วโมงเงี้ยบางที่ตอนบ่ายก็สามชั่วโมงตอนค่าก็สมชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลิกสี่ทุ่มเงี้ยเราพยายามให้อยู่กับให้อยู่กับ วิธีการให้อยู่กับแบบอย่างให้มากเพราะมันเป็นการฝึกอย่าลืมว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันเป็นแบบอย่างนะแท้ที่จริงพุทโธถ้ากสงบไปตามนั้นอ่ะพุทโธแล้วพูดตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานอันนี้คือผลแท้แต่ที่เราเอ้าวครูบาอาจารย์องไหนพูดขึ้นมากับพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้คือแบบอย่าง เป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างเป็นงานที่เราเยียบเพื่อที่จะก้าวไปเพื่อจะได้ให้ผลตามนั้นโดยที่แท้จริงชื่อของคําว่าพุโทโธเป็นชื่อเป็นชื่อเป็นยอดของสติเป็นยอดของมงคลหมายได้ทั้งความสงบคือสมมถะหมายได้ทั้งความสงบคือวิปัสสนาสงบอะไรสงบกิเลสสงบถ้าเป็นเรื่องของปัญญาและกิเลสสงบราบคาศ ถ้าพูดถึงว่าวัดจะพืชมันไม่ขึ้นเพราะรากเง่าของมันที่มันอยู่ใต้ดินมันตายหมดมันไม่มียอดอ่อนมันไม่มียางเหนียวที่มันจะโผล่แทงขึ้นมาอีกนั่นเป็นเรื่องของปัญญาสงบราบคาบสงบของ ข, ของขั้นสมถะก็เหมือนกับมันรกๆขึ้นมาบนผิวดินแล้วก็ไปถางออกไปตัดออกเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าความสงบเหล่านี้โบราณท่านจึงเทียบว่าเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าไว้ หญ้ามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะมันถูกถูกอารมณ์ของสมถะนี่กดไว้ ด, ด, ดันไว้แต่ในอารมณ์ของสมถะนั้นน่ะมันก็มีปัญญาอยู่ในนั้นคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมอันนี้เป็นมูลมรดกเป็นมูลเหตุเป็นรากเหงา้าก่อตัวให้เกิดสติให้เกิดปัญญาประสยากสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สมาธิมันไม่ใช่ปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิเป็นปัญญาของนอกศาสนามันมีอยู่ มันเปลี่ยนได้มือนอย่างสมาธิที่ไม่รู้สึกตัวเลยเนียสงบเงียบไปเนี่ยสมาธิของพุทธเจ้ารู้ตัวตลอดไม่รู้อยู่กับความสุขมันก็รู้อยู่กับตัวเองโร่อยู่กับตัวเองเบีขาเฉยหมดทุกอย่างมีสติมีปัญญายอย่างนั้นเราไม่มีสติเราดูสงบไม่ได้ที นั่งหลับตาสมาธิฟังภาวนาหัเล็กฟังพระเทศแล้วเข้าใจฟังพระเทศแล้เข้าใจจากประเด็นไม่ได้อย่างนี้ต้องรือคาฟังจะได้นะครับแต่เห็นทุกอื่นหลาเราอยู่กับตัวไหมเรามีสติมีสัมผชัญยัย ก, กํากับตัวเองอยู่กับกับผู้รู้เราอยู่ไหมอันนั้นคืออันนั้นคือคือผลที่เราต้องการแม้แต่เราฟังเราฟังเพื่อเนื้อหาเพื่อใจใจของเรา จ่ออยู่กับเนื้อหาที่ท่านพูดแต่หากมันมไม่อยู่กับเนื้อหาที่ท่านพูดมันอยู่กับอารมณ์ธรรมของเรานั่นคือผลที่เราต้องการหรืนนจะไปเสียดายดอะไรมันอยู่กับความสงบเหล่านั้นแค่มันอยู่เพราะะเวลาเราพูดต่อมาเราให้เอานั่งภาวนาฟังหูนี่มันได้ยินเองอะหูเราได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยด้วยความฉัมนนีชํานาญเราความหมายมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา แต่มันสาคัญมีสติกํากับอยู่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยเราเอากับอันนี้เราอยู่กับอันนี้อย่างอื่นมันได้หมดใจของเราก็สงบบางทีมันแวบไปที่ธรรมะที่ท่านพูดท่านพูดอะไรใจมันก็อยู่มันไม่ไปไหนตกจากคําเทศตกจากพุทโธมันก็ไปอยู่กับคําเทศขยับจากคําเทศมันก็อยู่มาอยู่กับพุทโธมันไม่เสียหายไปไหนดีกว่าเราส่งร่องรอยไปอย่างอื่นเรื่อยเปยไปอย่างอื่น อ, อีกอาล<ร>าหนาทีาสมาธิห ล, กหลากครั้งลืมตาทำตะวัดแล้วเหมือนจิตยังอยู่ในสมาธิอยู่ต้องทำอย่างใดจึงจะจากไปจากการนั่นแหละคือผลที่เราต้องการ <c oughs> มันจะไปเกิดปัญหาอะไรกับหัวใจของเรานั่นแหละคือผลที่เราต้องการการที่เราทําจนเขามีเป็นอาจินอยู่เป็นอาจินชะได้เป็นอาจินละได้เป็นอาจินสงบได้เป็นอาจิน สงบได้ทุกอิริยาบถนั่นคือผลที่เราต้องการเราจะต้องไปทำอะไรกับมันประคองเอาไว้อย่าปล่อยเขาแล้วกันมันอยู่ยังในขั้นที่ว่ามันกำเริบมันต้องประคองประคับประคองต้องดูต้องทนุถนอมต้องประคับประคองต้องดูแลต้องสอดส่องต้องไม่ปล่อยนี่เป็นอนุรักษนาประธานรักษาผลงานที่เราทำเอาไว้ สังวรประทานประหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานภาวนาคือเราตั้งใจภาวนาภาวนาไปแล้วมันมีผลตามมารักษาผลเอาไว้อนุรักษณาประทานอันนี้เป็นประทานเป็นความเพียรอย่าลืมว่าความเพียรเราอย่าลืมความเพียรในอกมัดสังวรประทานประหานประทานสังวรคือระวังไม่ให้ไม่ ไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้าไปถึงหัวใจของเราพอมันแทรกเข้าไปปั๊บประหารน่ะสังวรประทานประหารประทานในขณะที่เราสํารวมสังวรนั่นมันเป็นการภาวนาภายในตัวเราเจริญบทใดบทหนึ่งมันทั่วถึงกันหมดภาวนาประทานภาวนาไปแล้วมีผลตอบรับขึ้นมารักษาผลอันนี้เอาไว้อนุรักขณาประทานประทานคือความเพียรไปดูในองค์มรรคไปดูท่านพูดเอาไว้ประทานคือความเพียร แต่เราไม่ดูที่นั่นเราดูมาที่ใจของเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันเกิดที่ใจของเราอันนั้นมันเป็นกรีหมายป้ายทางที่ท่านชี้เอาไว้แต่ว่าเราดูดูจริงๆเราดูที่นี่หเห็นที่นี่สังวรเอาอะไรมาสังวรสติสังวรสัมปชัญญะสังวรความอดความทนความสำรวมความระมัดความระวังความตั้งอกตั้งใจเนี่ยสังวรประญานสังวร อ, อะไรสังวรไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามา ไม่กิเลแสแทรกเข้ามาพอมนแทรกเข้ามาปั๊บผ่านละมันโผล่ขึ้นมาปั๊บผ่านละในเมื่อสังวรสังวรแล้วมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันไม่แสดงกิริยาโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราเราก็ยามตามขุดตามคุยเหมือนอย่างเราต้องการรู้ว่ากิเลสมันเกาะอ ย, อยู่ที่ไหนเราพยายามตามไปเมื่อเราตามขุดแย้ yeah, นั่นแหละแย้มันเข้าไปในรูนะ่ะมันโผล่ขึ้นมาปับ๊บพอมเจอระหน้าเราปับ๊บมัพลุกเข้าไปในรู เราต้องการเราก็ขุดเข้าไปในรูกิเลสมันเกาะตามกายกิเลสมันเกาะตามกายตามเวทนาตามจิตตามธรรมกิเลสมันเกาะมาที่นี่ท่านให้ามาพิจารณาคลี่คลายที่นี่พิจารณาคลี่คลายที่นี่เพื่อตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังวรประธานผาหานประธานแล้วก็ภาวนาประธานอนุรักษนาประธาน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้ทั้งหมดเลย4ีอย่างเนี่ยทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ได้ทั้งหมดเลยเรามาไล่ดูดีเฮ้ยสังวรประธานทำแล้วภาวนาประธานยังไม่ได้ทำแ истории. ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการภาวนาอยู่แล้วสังวรประธานนอ่อนุรักษนาประธานก็คืออะไรเอาสติเอาปัญญามารักษามันก็เป็นสังวรมันก็เป็นภาวนามันก็เป็นประหารไปในขณะเดียวกัน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเราดูธรรมะของพระธิจารอู้ดีเยี่ยมพิเศษไม่มีขัดกันอเอาอีกเอาปัญหาหนึ่งตอนนั้นสมาธิเหมือนมีเทลเลชัที่หน้าหลายๆเข็ดตอนทีก็ทิ่ที่นิว้วที่แขนกล้างเนือ้อที่หน้ากระดูกบ้างก็อย่าไปหมายมันมา <c oughs> <c oughs> หมายว่าเป็นเข็มหมายว่าเป็นหนามหมายว่าเป็นมีดหมายว่าเป็นปลายรวด <c oughs> หมายว่าเป็นอะไรแล้วแต่จะหมายเราไม่ต้องไปหมายมันแ ป, ป๊บแป๊ป๊ร่างกายมันอยู่คงที่ที่ไหนเราก็ดูมันสิเวลาเราไม่ภาวนามัก็เป็นแต่เราไม่เคยสังเกตไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวไม่รู้พอเวลา ม, มาภาวนาใจสงบเท่านั้นแหละ อะไรก็โผล่ขึ้นมาอะไรก็โผล่ขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันถึงโผล่ขึ้นมาเมื่อก่อนเมื่อกเรามีบ้านเราไม่เคยอยู่บ้านบ้านเราสะอาดบ้านเรารกคร u n รั ง, รงบ้านเรามีนุ่นมาขึ้นมีนี่มาขึ้นเราไม่เคยรู้พอเรามาอยู่บ้านพับโอ้ตรงนั้นก็รกโอ้ตรงนี้ก็รกโอ้อันนี้อ่าเสียอันนั้นจารุดเอออันนี้ดีอันนั้นใช้สอยสื่อกสบายเรารู้หมดอะไรมันเกิดขึ้นมาที่บ้านของเราเรามีสติมีสัมผชัญยะกํากับอะไรมาเกี่ยวข้องกับกายเรารู้หมด มดตัวเล็กๆมาไต่ทีงไห น, นก็รู้หมดนะสนที่ไหนึกเมื่อก่อนมันสนที่ไหนเพราะเราไม่อยู่บ้านมันจะไปเห็นอะไรเราเจริญสมาธิกํากับที่กายของเราเหมือนกับเราอยู่บ้านอะไรมาเกี่ยวข้องเราก็รู้หมดอืมเอาละพอได้นําลายกลื่นบ้างก็อเอาละขอยตั้งอกตั้งใจทําไปดูไปที่กําลังใจที่ตัวเองสั่งสมอบรมไป ไม่มีใครรู้แนวปฏิบัติรู้ข้อปฏิบัติพลาดพราดก็โดดขึ้นเลยไม่มีหรอกมีแต่เสริมไปเรื่อยเสริมไปเรื่อยเสริมไปเรื่อยเสริมเรเหมือนเราขึ้นขึ้นที่เนินสูงไปเรื่อยสูงไปแทบไม่รู้ว่าขึ้นโดยซ้ำไปขึ้นที่เนินขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไรืพอเราไปได้สักระยะหนึ่งเราหันมาข้างหลังโอ้สูงฮ่หัวใจของเราเช่นเดียวกันเราฝึกหัดดัดแปลงไปสักหนึ่งเราย้อนมาไปเทียบดูกับเบื้องหลังที่เรายังไม่เคยฝึกฝนอบรมโอ้ มันแตกต่างปัตจกบันจิตนิสัยของเราเคยอารมณ์ฉุนเฉียวเรียกร้วโมโหโธโซเคยหลงลืมเคยมักง่ายกับนู้นกับนี้กับงานกับการกับอะไรแต่ไรเออเดี๋ยวนี้รู้สึกภาคภูมิใจเราละเอียดลรา อ, อขึ้นมีสติมีสัมัญชนยะรอบค้อบขึ้นรู้สึกมีปัญญาแพรวๆพรวโอโลกนี้เราไม่ตีไม่ตันไม่อัดไม่อัน แน่มันจะต้องมีความแ ป, ปลกปรกหลาศสิจั์เปรียกเสมือนเราขึ้นเนินนื้นขึ้นในที่เนินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไืไม่เชื่อลองไปขึ้นเขาเลยเขาที่มันไม่ชัน่ะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยไม่ได้ไม่ได้หันมาขึ้นไปสกักหนหันมาโอ้ยอดเขานานเห็นไหมยอดเขาเราไม่ได้สนใจมันสะสมของมันเองอ้าวเยวังช่วงนี้เวลานี้